วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27ตุราคมพุทธศักราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมจะได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมกันณนะสถานที่แห่งนี้ ที่นี่มีการแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดเฉลิเ้เฉยต่างๆเวลาประมาณบ่ายสองโมงท่านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังธรรมไปด้วยมานั่งสมาธิไปด้วย ก็สามารถมาได้ตามวันเวลาดังกล่าวการฟังธรรมก็จะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันเช่น <c oughs> จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ําอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะกำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้สจะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือปัญญาและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใส เป็นอุบายของการนั่งสมาธิแบบหนึ่งธรรมดาบางทีนั่งคนเดียวนั่งไม่ได้นานเพราะว่าไม่มีสติที่จะคอยดึงใจให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกอาจจะมีสติดึงได้ประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีใจก็จะ เริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งต่อไปได้แต่ถ้าฟังธรรมไปด้วยการมีสติใจจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมเป็นอารมณ์ก็ไม่ต้องใช้คำบริกรรมพุทโธไม่ต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออกเองแต่ให้มีสติ รู้อยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสถ้าเข้าใจก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจก็ปล่อยให้มันผ่านไปให้ใจจดจ่อฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆเสียงธรรมก็จะสามารถปลอบใจให้เข้าสู่ความสงบได้ไม่ได้หมายถึงว่าการสงบแบบนวมตัวเข้าไป เป็นหนึ่งเป็นสมาธิเป็นชานแต่ก็เป็นความสงบแบบสบายสบายใจนั่งได้เย็นสบายไม่รู้สึกวุ่นวายใจไม่รู้สึกเดือดร้อนใจไม่รู้สึกอยากจะไปทำอะไรสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้ถ้าอยากจะให้ลงลึกไปกว่านั้นหลังจากที่ได้ฟังทำแล้ว ก็ให้นั่งต่อไปแล้วก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกดูไปเรื่อยๆถ้าเพ่งดูลมได้โดยที่ไม่ไปคิดอะไรใจก็จะสงบลงลึกเข้าไปอีกตามลำดับจนสามารถเข้าถึงระดับอัปปนาสมาธิหรือคณนิกะสมาธิได้คณนิกะสมาธิก็จิตรวมชั่วขณะหนึ่ง ช่่งมูแลบดิน้นหรือฟ้าแลบอันนี้เป็นลักษณะของผู้ที่สงบครั้งแรกๆ ก, กำลังสติยังมีไม่มากพอที่จะดึงให้อยู่ในความสงบได้นานไปกว่าช่วงขนาหนึ่งแต่ถ้าได้ฝึกสติบ่อยๆไน้นั่งสมาธิบ่อยๆขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นต่อไปจิตก็จะสงบ รวมเป็นหนึ่งได้อยู่เป็นเวลาอันยาวนานได้เรียกว่าอัปปนาสมาธิระยะแรกแรกของการปฏิบัตินอกจะได้แค่อนิกขาสมาธิแต่ก็เป็นความสงบที่มหาสจรรัณใจเป็นความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ความสุขในโลกนี้ ที่จะให้ความสุขเหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนี้เลยพอได้รับสัมผัสกับความสงบในรูปแบบนี้แล้วความสุขในรูปแบบนี้แล้วใจก็จะไม่สนใจกับการที่จะไปหาความสุขในรูปแบบอื่นๆเช่นเคยไปหาความสุขจากการเที่ยวแต่การดูหนังดูละคร การฟังเพลงการไปเข้าสัสงคมต่างๆมันจะรู้สึกจือชื่อขึ้นมาทันทีจะไม่ดูดดื่ใจเหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เป็นชั่วขณะหนึ่งที่เรียกว่าคานิกะสมาธิว่ตาต่าง ความประทับใจมันจะเป็นเครื่องดึงดูดให้ใจนี้หันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบมากกว่าการที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสารพัชนิดต่างๆเพราะความสุขมันคนละระดับกันเนือเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติะลังสุขของ ความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีชีวิตก็จะเริ่มผันเข้าไปสู่ความสงบหาเวลาให้กับการปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อให้มีเวลากับการจเจริญสติให้มากๆต่อการที่จะทจําจิตให้สงบทําจิตให้รวมเป็นหนึ่งได้นั่น จำเป็นต้องมีสติเป็นเครื่องมือเป็นผู้พาไปถ้าไม่มีสติใจก็จะคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความเครียดเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็จะทำให้ใจวุ่นวาย ไม่อยู่นิ่งไม่สงบถ้าไม่มีสติเป็นตัวคอยควบคุมใจสติจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำใจให้สงบความสงบนี่เราเรียกว่าสมาธิเวลาที่เรานั่งสมาธินี่ความจริงเราไม่ได้นั่งสมาธิเรานั่งเรานั่งเจริญสติ เช่นเนี่ยเราดูลมหายใจเข้าออกนี่เราก็เรียกว่าอาณาปณะสติสติ<ม>คือการระลึกรู้อาณาปณะคือลมเข้าลมออก<ม>เราต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าเราไม่มีสติผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งใจก็จะคิดเรื่อยเปื่อย คิดไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่จะทำให้จิตใจวุ่นวายจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่มีความสดดังนั้นการนั่งสมาธินี้ต้องเข้าใจว่าคือการเจริญสติในรูปแบบในท่านั่งแต่เราต้องเจริญสติในทุกอิเดียบทของร่างกายทุกเวลานาที ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่เป็นเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างสติขึ้นมาใช้สติให้มากๆเพราะว่าถ้าเราจะมานั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วจเจริญสติในตอนที่เรานั่งนี่สติมันจะมีกำลังน้อยมากมันจะไม่มีกำลังที่จะดึงฉุดดึงให้จิต ให้รวมเป็นหนึ่งในขณะที่เรานั่งได้เลยเพราะว่ากำลังมันน้อยเรานั่งไปสักระยะหนึ่งก็จะเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาได้เพราะความอยากต่างๆมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาความอยากนี้เป็นตัวที่จะคอยผลักดันจิตใจให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผเทาพัชชนิดต่างๆ การมีสตินี้ก็เป็นการควบคุมความอยากเพราะความอยากนี้มันเกิดจากต้องมีความคิดเป็นตัวนำก่อนพอคิดถึงรูปเสียงกฤฤฤฤฤฤฤฤิ่นรสพดสะพ้าขึ้นมาก็อยากจะไปเสพคิดถึงราบยดสดสนสนสุขก็อยากจะไปหาอยากจะไปอยากจะไปสัมผัสอยากจะไปได้ามา พอเกิดความอยากแล้วใจก็อยู่ไม่นิ่งนะอยู่ไม่เป็นปกติอยู่ไม่ได้จกกะกังวลกระวายกระสับกระส่ายบางทีก็ถึงกัขั้นมุญญ่ยเยิดลำคาญใจขึ้นมาจนไม่สามารถจะทนนั่งอยู่เฉยๆได้ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่ง ไม่ให้คิดในเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้ที่สวงหาความสงบนี้จะไม่มีภารกิจการงานอย่างเด่นเลยเช่นนักบวชทั้งหลายเรารู้ว่าการที่จ ะ, จะเจริญสติ่อให้จิตใจสงบเป็นสมาธินี่จาเป็นที่จะต้องไม่มีภารกิจการงานอาื่นๆ นอกจากภารกิจเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองอ<ม>การเป็นนักบวชนี้อารกิจการเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอต้องใช้เวลามากมเป็นนักบวชก็ออกบินธบหาอาหารมามจีวรก็มีหนึ่งชุดก็พอ<ม>ผ้าไตาสามผืนที่อยู่อาศัยก็ตามล้มไม้ถามวาการภาวนานี้ ไปอยู่ในป่านี้มันจะเป็นที่สงบไม่มีเสียงไม่มีใครมารบกวนอยู่กันแบบธรรมชาติอยู่กันแบบเรียบง่ายอย่ารักษาโรคก็รักษาไปตามมีตามเกิดไม่ได้ไปกังวลกับมันมากจนเกินไปถ้าอยู่แบบรักบวชนี้การที่จะต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทอง เพื่อเอาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็ไม่มีความจาเป็นจะต้องไปทําเมื่อไม่ต้องทำงานก็จะไม่ต้องใช้ความคิดในเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานถ้าต้องไปทำงานในแต่ละวันนี้ก็ต้องมีเรื่องให้คิดเรื่องการทามาหากินเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการงานก็จะคอยควบคุมความคิดไม่ได้คอยหยุดความคิดไม่ได้ แต่ถ้าอยู่แบบนักบวชได้อยู่แบบไม่ต้องทำงานได้ก็จะสามารถคอยควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเ<ม>จริญสต<ม>ิด้วยกรรมฐานหรืออารมณอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเลือกได้ตามความถนัดบางท่านก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธ อันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติมีสติแล้วเลืล่ถึงพระพุทธถึงพระพุทธเจ้าพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าให้เรามีสติแล้วเลือล่อนโยู่กับพุทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเปืยคิดเท่าที่จาเป็น รู้ว่าวันนี้วันอะไรต้องทําอะไรบ้างเป็นต้นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชก็ไม่มีอะไรต้องทํานอกจากตอนเช้าก็ไปบินถบาทไปหาอาหารมาฉันช่วงเตรียมตัวที่จะไปบินถบาทก็สามารถเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดได้เพราะไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องให้คิดก็สามารถเจริญพุทธานุสติพุโทโธพุโทโธไปในใจ ถ้าใจไม่คิดเราก็หยุดพูดโธได้แต่ถ้าใจเริ่มคิดเราก็ต้องใช้พูโทโธพุโทโธคอยดึงใจเอาไว้อย่าให้ใจไหลไปกับความคิดต่างๆหรือในขณะที่เรากำลังใช้คาในารพุโทโธพุโทโธอยู่ใจก็อาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาได้เราก็อย่าไปตามความคิดอย่าไปสนใจกับความคิด ให้สนใจอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นการใช้พุทธานุสติเป็นการเจริญสติด้วยการใช้พระพุทธเจ้าการเจริญสตินี้มีอยู่ถึงสิบชนิดด้วยกันเป็นเป็นกรรมฐานสิบชนิดในกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันที่สามารถใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญสติ รือในการเจริญปัญญาได้สำหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนี้ก็เน้นในการใช้กรรมฐานเพื่อเจริญสติเป็นหลักแต่ต่อไปหลังจากที่ได้สมาธิแล้วสามารถควบคุมจิตใจให้อยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาแล้วต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมฐานจาก กรรมฐานที่ให้เจริญสติเป็นกรรมฐานที่ให้เกิดปัญญาขึ้นมาเช่นการพิจารณาอาการส2สองของร่างกายหรือซากศพเป็นต้น อ, อันนี้จะเป็นกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้เพื่อจะได้ปล่อยวางความยึดติดในร่างกายความรักความชอบในร่างกาย แต่เบื้องต้นนี้เรายัางไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นเราเอาแค่เจริญสติเพื่อให้จิตใจสงบไม่ให้คิดฟุ้งซ่านก่อนในอนุสตินี่ที่มีประมาณสิบชื่อนี้มีสิบข้อก็คือหนึ่งพุทธานุสติแล้เลิกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติแล้วลึกถึงพระธรรมคําสอนหรือพุทโธพุทโธไปข้อที่สาม ข้อที่สองธรรมานุสตินี้อาจจะหมายถึงการฟังเทศฟังธรรมอยู่ขณะ น, นี้ก็ถือว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติได้หรือเวลาสวดมนต์เราก็ถือว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติได้เพราะบทสวดมนต์ส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรื อ, อถ้าเราอยากจะใช้สังขานุสติก็ได้ให้ระลึกถึง สังโฆสังโฆไปในพุทธานุสติธรรมานุสติสังทานุสตินี้มีแบบย่อดและแบบพิสดารแบบยอดก็คือพุทธโธธรมโมูสังโฆแบบพิสดารก็ให้ส่วนบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเช่นอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสามพุทธโธสวดไปภายในใจท่องไปภายในใจเพื่อให้ใจมีอะไร ดึงใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพุทธเราสามารถปรับวิธีของการจารันสติได้บางครั้งเราคิดว่าพุโทโธมันสัานไปใจมันลอยใจยังคิดอะไรได้อยู่ก็ปรับมาเป็นแบบพิสดารอยู่สวดอิติปิโสไปสวดไปหลายหลาจบสวดไปเรื่อยๆสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงจะได้ไม่เหนื่อย ส่วนไปภาในใจมนไม่ต้องใช้ร่างกายส่วนไปสักระยะหนึ่งพอรู้สึกว่าใจไม่คิดอะไรแล้วก็หยุดสวดก็ได้<ม>แล้วอาจจะมาเปลี่ยนเป็นวิธีการใช้กายกตาสติต่อก็ได้กายกตาสติก็คือให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในเอริยาบทใดก็ต้องรู้อยู่ทุกขณะ เช่นตอนนี้ร่างกายอยู่ในอิริยะบทนั่งก็รู้ว่าตอนนี้ร่างกายนั่งแพทยต่อไปพอร่างกายจะลุกขึ้นมาก็ต้องรู้ต้องตามรู้ละดูร่างกายตอนนี้ร่างกายกําลังยืนกํนาลังเดินกํนาลังไปทําอะไรต่างๆก็ให้มีสติผูกไว้กับการกำการกระทําการเคลื่อนไหวของร่างกายอ่า อย่าอย่าให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะเ <Yeah. S 2> ผสติถ้ารู้ว่าเผสติไม่สามารถอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ <Yeah. S 2> ก็ใช้คําบริกรรพุทธโธพุทธโธเดินกลับมาก็ได้ <Yeah. S 2> พุทธโธธรรมโมสังโฆก็ได้พุทธังสรนังกฉามิธรรมังสรนังกฉามิสังขังสรนังกฉามิก็ได้ yeah. วิธีเจริญสติมันมีหลากหลายวิธีด้วยกันเราสามารถปรับให้มันให้มันทำให้เกิดประโยชน์เป้าหมายก็คือให้เราควบคุมความคิดไว้ให้ใจเรานิ่งให้ใจเราอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ใจเราลอยไปในอดีตไปอนาคตให้สังแต่รู้นอกจาก พุทานุสติธรมานุสติสังคานุสติแล้วก็มีกายกตาสติการมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายเคลื่อนไหวเวลาร่างกายเคลื่อนไหวก็กายกตาสติเวลานั่งเฉยๆร่างกายไม่เคลื่อนไหวก็เปลี่ยนมาเป็นอนาปานาสติดูลมหายใจเข้าออกแทนถ้าเราใช้กายกตาสติเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหว เวลาเราหยุดการขึ้นไหวเวลาเรามานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนมาที่การดูลมหายใจเข้าออกแทนดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกลมจะเข้าไปก็รู้ว่าเข้าไปลมจะออกมาก็รู้ว่าออกมาให้รู้ตรงจุดที่ลมสัมผสัสกับกับร่างกายก็คือแถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือลิมนที่ปากขึ้นมา ให้รูย้อยู่ตรงจุดนั้นให้เพ่งอยู่ตรงจุดนั้นเพราะการจะทำให้จิตนิ่งให้สงบได้ต้องจิตต้องอยู่เฉยๆจิตไม่เคลื่อนไหวถ้าจิตเคลื่อนไหวตามลมจิตก็จะเข้าๆออก อ, อกจิตก็จะไม่นิ่งไม่สงบไม่รวมเป็นหนึ่งได้การที่จะทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งนี้จะต้องเพง่งดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวถ้าใช้ลมหายใจก็ดูที่จุดนมสัมผัสเข้าออก ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องบังคับลมอย่าไปบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวใจอย่างใดให้ใช้ลมเป็นที่ถูกใจเท่านั้นเองอย่าให้จิตทำงานอะไรการบังคับลมนี้ก็เป็นการทำงานของจิตเราต้องการหยุดการทำงานทุกแบบทุกรูปแบบของจิตให้จิตรู้เฉยเฉยต้องไม่ให้ทำอะไรให้รู้เฉยเฉย ลมจะหยาบก็รู้ว่าหยาบลมจะสั้นก็รู้ว่าสั้นพอนั่งไปสักระยะหนึ่งใจจะเริ่มสงบขึ้นลมก็จะรู้สึกละเอียดขึ้นแล้วก็จะรู้สึกหายใจยาวขึ้น<ม>ก็รู้ตามความเป็นจริงไปท่านั้นเองไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปบังคับลมแต่อย่างใดแล้วถ้านั่งไปเรื่อยๆลมอาจจะแผ่วไปจนกระทั่งจกความรู้สึกว่าลมหายไปก็ได้ ก็มันละเอียดมันเบาจนกระทั่งเราไม่สามารถสัมผัสกับลมหายใจได้ก็ไม่ต้องตื่นตกใจแต่อย่างใดบางคนมามาถึงจุดนี้แล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาคิดว่าเอ๊ะเราไม่หายใจแล้วเดี๋ยวเราตายหรือเปล่าหายใจอยู่เพียงแต่ใจมันละเอียดลมมันละเอียด <ừ. S 1> ไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้และมันเป็นช่วงเวลาที่จิตจะเข้าสู่ความสงบด้วย ก็อย่าตื่นตกใจอย่าไปทำอะไรดูต่อไปเหมือนเดิม <S <S ทําความเข้าใจว่าไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกมีแต่ได้อัปปนาสมาธิได้คณนิกะสมาธิได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องลมถ้ามันเบามันละเอียดจนเราไม่สามารถรับรู้ได้ก็ให้รู้ว่าตอนนี้มันไม่มีลมให้สัมผัสรับรู้ ก็ดูอยู่ที่จุดเดิมต่อไปดูดูดูความว่างของลมตอนนี้ไม่มีลมมันก็อยู่ก็รู้อยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวแล้วไม่นานจิตมันก็จะดึงมันก็จะรวมสงบปล่อยร่างกายปล่อยลมได้ตอนนั้นจิตกำลังจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวแต่ถ้าเราเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมามันก็จะดึงจิตให้กลับเข้ามาใหม่ ด, ด, ดึงจิตดึงจตให้กลับข้อมาที่ร่างกายใหม่ดึงมาหาลมใหม่ไม่ต้องไปหาลมถ้าไม่มีลมให้สัมผัสรับรู้ก็ให้รู้ว่าไม่มีลมให้สัมผัสรับรู้ไม่ตายไม่ต้องกลัวให้รู้เฉยๆไปแล้วจิตก็จะสักแต่ว่ารู้แล้วก็รวมเป็นหนึ่งได้เป็นเอก ข, าขาตาลมขึ้นมาเป็นอุเบกขาเป็นความสงบเป็นความเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจนะ เป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ใจ mm hmm. การดูลมนี้จิตอาจจะไม่ได้ลงทีแบบพรวดพราดนะลงเป็นขั้นๆทีละขั้น mm hmm. องเหมือนขั้นบันได mm hmm. แต่ถ้าใช้คำบริกรรมพุโทโธนี้ mm hmm. เวลามันลงบางทีมันลงแบบพรวดพราดลงจากชานที่หนึ่งไปถึงชานที่สี่เลย mm hmm. เรียกว่าตกหลุมตกบอ่อตกจากที่สูงลงมา นอกจะเกิดกับการใช้คำเรกิกรรมพุโทโธพุธโทโธ mm hmm. แต้ะเวลาจิตนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรให้พยายามรักษาความสงบด้วยสติให้อยู่ไปนานๆก่อนอยังไม่ต้องไปเจริญปัญญาไม่ต้องไปเจริญวิปัสสนาเวลาที่จิตสงบนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญา การที่เราได้ยินว่าหลังจากจิตสงบแล้วให้พิจารณาทางปัญญานี้ท่านหมายถึงว่าให้สงบจนกว่ามันจะถอนตัวออกจากความสงบ พ, พอออกจากความสงบกลับมาเป็นจิตปกติเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วอตอนนั้นแหละให้เอาจิตที่คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับราบยศสารเสวนสุขให้มาคิดทางด้านปัญญาแทนให้มาคิดทางด้านใจรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแทนไม่ใช่พอจิตสงบปั๊บก็ ดึงนะฮะออกมาให้มันคิดทันทีถ้าจะคิดทันทีก็ไม่ต้องเข้าสมาธิให้มันเสียเวลา<ๆ>การเข้าสมาธินี้เป็นการพักผ่อนจิตใจเป็นการเติมพลังให้กับจิตใจพลังของจิตใจคือความนิ่งความสงบนี่แหละที่จะสยบความเคลื่อนไหวต่างๆของกิเลสตัณหาได้ญ<ม><ๆ>าโยมคงอาจจะเคยได้ยินคำว่าใช้ความสงบสยบการเคลื่อนไหว ถ้าใจไม่สงบนี่เราสยบความเคลื่อนไหวของกิเลส ต, ตันหาไม่ได้เวลาเกิดความโลภเกิกดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาแล้วปัญญาบอกว่าต้องหยุดให้ได้นะความโลภความโกรธความหลงเพราะมันเป็นเหตุที่จะทําให้ใจทุกข์เราก็จะไม่สามารถหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะรู้จักวิธีหยุดหยุดความอยากต่างๆได้ เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าความอยากแบบนี้มันทำให้ใจเราทุกข์เราก็หยุดมันทันทีได้เพราะฉะนั้นต้องพยายามเวลาจิตนิ่งสงบแล้วต้องรักษาความนิ่งสงบให้มันนิ่งไปนา น, านที่สุดนะไม่ต้องรีบร้อนไปทางปัญญาเพราะเรายังอยู่ขั้นแรกอยู่ขั้นฝึกสมาธิขั้นฝึกความนิ่งของจิตแล้วก็อาจจะ ต้องทำหลายหลายครัง้งหลายๆรอบไม่ใช่ทำครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ไปทางปัญญากำลังมันยังมีไม่มากพอ mm hmm. ควรจะเวลาออกจากสมาธิานี้ควรจะกลับมาเจริญสติต่อกปน mm hmm. ถ้าเคยใช้ mm hmm. พุทธานุสติก็พุทโธพุทโธเวลาเลอกนั่งสมาธิแล้วอย่าทิ้งสติต้องรักษาสติไว้ต่อไปให้ได้ก่อน mm hmm. รักษาสติทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าจะเวลาจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งก็าตามสตินี้จําเป็นในทุกกรณีจําเป็นจะต้องมีสติทุกกรณีก่อนเราต้องการมาฝึกสติให้มันเป็นสติที่อัตโนมัติก่อนถ้ายังสติมันยังไม่อัตโนมัติยังล้มลกุกคลุกคลานอยู่นี่ต้องพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆไม่ใช่พออยากสมาธิมาก็ทิ้งทิ้งสติเลยปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยไป ไอ้อย่างนี้เดี๋ยวใจก็ฟุง้งซ่านขึ้นมาใหม่ได้แล้วจะกลับเข้าไปสมาธิก็จะยาก mm hmm. เพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆของการฝึกสติฝึกนั่งสมาธินี้ขอให้เราเจริญสติให้มากๆก่อนอย่าเพิ่งไปทางปัญญาไม่ต้องรีบร้อนปัญญาความจริงเราก็มีพอสมควรแล้วเช่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป แต่ว่าใจเราย่านี้ยังระหยุดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ทท้งน well ั้นเองเพราะเราอยากจะอยู่อยากอยู่ไปนานๆความอยากอยู่ไปนานๆนี่แหละเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจเวลาที่เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่เราจะต้องตายนี่ใจเราจะทุกข์มากเพราะว่าเราไม่เราไม่สามารถทาตามความอยากของใจได้ก็คืออยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตาย แต่ถ้าเราฝึกสมาธิจนมีความสามารถที่จะยับยั้งความอยากอยากอยู่ไปนานๆได้แล้วอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แล้ว<ม>เวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาใจก็จะไม่ทุกข์ได้ใจก็จะเฉยๆได้<ม>ถ้ายังเฉยไม่ได้ยังทุกข์อยู่สแสดงว่ากำลังของสมาธิยังไม่พอปัญญาพวกเรานี่มีอยู่มากแล้วเพราะเราฟังเทศฟังธรรมเราได้ยินได้ฟัง ทำที่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญญาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้นึกอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้แต่เราก็ยังอดที่จะทุกข์กับมันไม่ได้เพราะเรายังอดที่จะอยากให้มันไม่แก่ไม่ได้ไม่อยากอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยากให้มันไม่ตายไม่ได้ เราก็จะทุกข์กันเวลาที่เราเจอกับสภาพที่น่างกายเสื่อมโทรมน่างกายอยู่ในสภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือน่างกายใกล้ถึงกับความตายขึ้นมาถ้าเรายังทุกข์อยู่แ ส, สดงว่าเราไม่ได้ปัญญาเราไม่ใช่ไม่มีเรามีเรารู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคน แต่เราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาไม่มีความนิ่งที่จะมาสยบความความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะส ย, สยบปัญหาความอยากได้ทุกระยะเวลาเราต้องอย่าพึ่งไปเจริญทางปัญญาพยายามเจริญสติต่อไปหลังจากออกจากสมาธิมาก็ ทำสติต่อไปเหมือนกับก่อนที่เรามานั่งสมาธิถ้าเราใช้คําบริกรรมพุทโธก็พอเลิกนั่งสมาธิก็พุทโธต่อไปถ้าเราใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ค่อยเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังนั่งกําลังลุกกาลังยืนกําลังเดินไปดื่มดื่มน้ําไปทําอะไรก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายทุกอิริยาบหมด ถ้ามันจะหนีไปมันไม่ยอมอยู่กับร่างกายก็ใช้พุโทโธดึงกลับเข้ามาใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธดึงเอาไว้อันนี้ต้องฝึกสติต่ตอไปตั้งขณะที่นั่งสมาธิและขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิส ต, ตินี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกต้องสร้างให้มันเป็นอัตโนมัติขึ้นมาให้ได้ให้มันมีสติโดยที่เราไม่ต้องคอยควบคุมบังครับให้มันมีสติคอยควบคุมความคิดของมันเองไปได้ตลอดเวลา สามารถสั่งให้คิดได้สามารถสั่งให้หยุดคิดได้อันนั้นนหะเป็นถึงจะถือว่าเรามีมีสติมีสมาธิที่สามารถจะเอาไปใช้กับการพิจารณาทางปัญญาได้ทางปัญญาก็มีหลายเรื่องที่เราต้องพิจารณากันไม่ใช่แต่เรื่องอ น, นิจจงคือความไม่เที่ยงของร่างกายอ น, นิจจงก็คือไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายควาว่าไม่เที่ยงก็คือไม่เหมือนเดิม ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นร่างกายนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากเล็กจากจากธาลกคลอดออกมาจากท้องแม่ก็โตขึ้นมาเป็นเด็กจากเด็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ผู้แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ผู้ตายไปตามลําดับอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่ใครไม่มีใครไปสามารถควบคุมบังคับได้ แสดงว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้ามันเป็นตัวเราของเราเราต้องควบคุมบังคับได้แต่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเมื่อเราควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปอย่าไปยื้อมันอย่าไปดึงมันดึงยังไงยื้อยังไงมันก็ดึงไม่อยู่ถึงเวลาจะแก่มันก็ต้องแก่ถึงเวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลามันจะตายก็ต้องตาย แต่ใจเราจะไม่ทุกข์กับมันได้เพราะเราสามารถสยบความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้าเรามีกำลังของสมาธิ mm hmm. สมาธินี่ที่เราเรียกว่าความสงมบ mm hmm. ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวของกิเลสตัณหา mm hmm. กิเลสตัณหานี้มันจะเคลื่อนไหวได้เวลาที่เราไม่มีสมาธิเวลาที่เราไม่มีสติแต่พอเวลาที่เรามีสติมีสมาธินี่ มันเคลื่อนไหวไม่ได้เราสั่งมันได้แล้วหยุดมันได้เพราะฉะนั้นเวลาเบื้องต้นในขณะที่ปฏิบัติขั้นแรกนี้คือขั้นสมาธินี่ไม่ต้องไปกัวงวลกับเรื่องปัญญามากจนเกินไปเพราะปัญญาส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยอยู่แล้วเวลาเราฟังเทศทางธรรมนี้เราก็มักจะได้ยินเรื่องตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่สิ่งที่เราจำเป็นเราอย่างยังไม่มีที่จะใช้เป็นเครื่องมือ ให้กับการพิจารณาทางปัญญาก็คือความสงบนี่เองหรือเราเรียกว่าอุเบกขาเวลาจิตสงบนี้จิตจะมีอุเบกขาวางเฉยเวลาสัมผัสรับรู้อะไรจะไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะรู้เฉยๆเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆจิตยังสงบอยู่มันก็จะมีอุเบกขาติดมาด้วยเหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็น เวลาอยู่ในตู้เย็นน้ามันก็จะเย็นพอเวลาที่เราจะต้องดื่มน้ำํำเราก็เอาน้ําออกมาดื่มถ้าเราเผลอลืมตั้งไว้ไม่เอากลับเข้าไปในตู้เย็นเดี๋ยวไม่นานความเย็นของน้ําก็จะหายไปนะน้ําก็จะอุ่นขึ้นมาได้ร้อนขึ้นมาได้ใจก็เหมือนเหมือนกับน้ําเวลาเข้าสมาธิก็เหมือนเอาใจเข้าไปในตู้เย็นพอใจเข้าไปในตู้เย็นใจนิ่งสงบใจก็เย็นสบาย ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยๆพอจากสมาธิมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอยู่แต่พอเริ่มคิดปรุงแต่งหรือเผลอคิดไปคิดปรุงแต่งหรือต้องไปใช้ความคิดเกี่ยวกับการงานต่างๆหรือไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เกิดมีตัญหาความอยากขึ้นมาแล้วตัญหาความอยากต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจร้อน ทำให้อุเบกขาค่อยๆหายไป mm hmm. พอเรารู้ว่าเราใจเราเริ่มมีความรักชังกลัวหลงแล้วก็แสดงว่าอุเบกขาหมดแล้ว mm hmm. น้ําไม่เย็นแล้ว mm hmm. คนยาวน้ํากลับเข้าตู้ยเย็นได้แล้วจิตไม่เย็นจิตไม่นิ่งจิตไม่เฉยจิตไม่ปล่อยวางแล้วจิตก็ต้องกลับเข้าสมาธิใหม่ต่อไป mm hmm. ถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจิตก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมา mm hmm. เห็นอะไรก็จะเกิดความรักเกิดความชัง mm hmm. เกิดความกลัว mm hmm. เกิดความหลงขึ้นมา แล้วก็จะสิ่งที่จะตามมาจากความนักชังโกหลงก็คือความทุกข์ใจนี่มันก็จะตามมานักปฏิบัติจะต้องรู้เวลากลับเข้าสมาธิเมื่อออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วถ้าใจเริ่มเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วก็ควรจะกลับเข้าไปในสมาธิเหมืบางคนก็จะอยู่ในเข้าสมาธิบ่อยฝ่าอยู่ อยู่นอกสมาธิเอามานอกสมาธิเพื่ออาจจะมาทําภารกิจทางร่างกายมาดื่มน้ำมาเข้าห้องน้ํามาอะไรพอไม่มีภารกิจที่ต้องทาก็กลับเข้าสมาธิใหม่ดีกว่าเข้าห้องเย็นดีกว่าเหมือนกับเราใช้เวลาอากาศร้อนๆนี่เรามักจะไม่อยากจะอยู่ข้างนอกกันมักอยากจะไปเข้าห้องที่มีเครื่องปรับอากาศคนในกรุงเทพเวลาอากาศร้อนไปที่ไหนไปศูนย์การค้ากันศูนย์การค้ามี เครื่องปรับอากาศเย็นสบายรปหลบความร้อนอยู่ชั่วคราวอันนี้ก็เหมือนกันใจเราเวลาทุกข์ร้อนนี่ใจเราต้องเข้าสมาธิเข้าห้องอเข้าห้องปรับอากาศพ อ, อเข้าห้องปรับอากาศแล้วความทุกข์ร้อนใจต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวสมาธินี้ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ร้อนใจได้อย่างถาวรอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะตามมาต่อไปแต่ในเบื้องต้นในขณะที่เราฝึก สมาธิอยู่นี้เรายังไม่สามารถที่จะไปทางปัญญาได้ถ้าสมาธิของเรายังไม่มีกำลังมากพอ<ฮ>ถ้าเราถ้าเรายังไม่สามารถรักษาความสงบให้สงบได้ทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมา<ฮ>ก็แสดงว่าสติเรายังไม่ต่อเนื่องยังไม่มีกำลังมากพอที่จะทําใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ<ฮ>ก็ต้องพยายามฝึกสติต่อไป หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็พุทโธต่อไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปอันนี้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบได้ทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและอยู่นอกสมาธิเวลาเห็นอะไรก็ไม่รักชังกลัวหลงอันนี้หรือหรือถ้ามีบ้างก็มีไม่มากมีน้อย จ่ว่าไม่มีรักชังกลัวหลงเลยเก็ไม่เชิงแต่ใจเริ่มมีความไม่รักไม่รั ก, ไ ม, กไม่ชังไม่กลัวไม่หลงมากขึ้นไปเรื่อยๆใจก็จะเย็นใจก็จะสบายนี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติอของการทำใจให้สงบต้องพยายามฝึกสติให้มากๆสตินี่แหละเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสงบคือสมาธิขึ้นมา เวลานั่งสมาธิความจริงเราไม่ได้นั่งสมาธิเรานั่งสติเราจะเริ่สติเพราะฉะนั้นเวลานั่งสมาธิต้องมีสติอยู่กับอะไรสักอย่า ง, งไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจลอยลอยไปตามความคิดต่างๆลอยไปตามเรื่องนั่นเรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องเพราะจะไม่ได้ผลคือความสงบความนิ่งความรวมเป็นหนึ่งของจิตมันจะไม่เกิดขึ้น แล้วอาจจะกลายเป็นของมาหลอกใจให้คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ได้เพราะถ้าไม่มีสติควบคุมใจใจก็อาจจะปรุงแต่งอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกใจว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรขึ้นมาให้ปรากฏรับรู้ขึ้นมาของเหล่านี้เป็นของปลอมทั้งนั้น่ะไม่ใช่เป็นของจริงของจริงก็มีอยู่แต่มันต้องอยู่อีกขั้นหนึ่งของสมาธิ คือขั้นของอุปจารสมาธิ <Yeah. S 2> อุปจารสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้หลังจากที่ได้ได้อัปปนาสมาธิก่อน <Yeah. S 2> ถ้ายังไม่ได้อัปปนาสมาธิแล้วมีอะไรปรากฏขึ้นนิมิตต่างๆนีเรียวกว่าเป็นของปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นเป็นของที่อย่ามาหลอกจิตอย่าไปสนใจให้อยู่กับสติอยู่กับลมหายใจไปหรืออยู่กับพุโทโธไป yeah. สมาธิที่จะสามารถทําให้เราไปเห็นโลกเห็นสวรรค์ได้นี้ต้องเกิดจากหลังจากที่เราเข้าอัปปนาสมาธิแล้วนะจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วจริงแต่ว่าจิตรวมแล้วมันไม่อยู่เฉยเฉยมันเริ่มออกไปท่องในโลกทิพย์ได้ขณะที่จิตรวมนี้จิตเข้าไปอยู่ในโลกทิพย์แต่ไม่ไปเคลื่อนไหวไม่ไปไหนอยู่เฉยเฉยในโลกทิพย์แต่จิตสําหรับบางพวกบางคนนี่เป็นจิตที่เป็นจิตที่ผ่าดผลท่านว่า อไม่อยู่นิ่งเฉยๆในสมาธิกลับไปออกไปรับรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย mm ์ hmm. จะไปพบกับกายทิพย์ต่างๆไปคบพบกับเปรตพบกับอสุรกาย mm hmm. พบกับเทพอะไรต่างๆเหล่านี้ mm hmm. อันนี้เป็นสมาธิที่เราเรียกว่าอุปจารสมาธิ mm hmm. อุปจารสมาธินี้มาทีหลังอัปปนาสมาธิไม่ใช่มาก่อน คนส่วนใหญ่จะเข้าใจที่ว่าได้ได้อุปจาระสมาธิก่อนถึงจะค่อยได้อัปปนาสมาธิแต่ในการในในการปฏิบัตินี้เขาพิสูจน์แล้วว่าต้องมาหลังจากได้อัปปนาสมาธิจิตต้องรวมเป็นหนึ่งก่อนแล้วถึงจะสามารถไปสู่อุปจาระสมาธิ mm hmm. อุปจาระสมาธินี้ก็ไม่มีคุณประโยชน์อะไรที่จะมาใช้ในการสนับสนุนปัญญา เพื่อกำจัดความโลภความอยากความโกรธความหลงต่างๆเพราะมันไม่มีกําลังของอุเบกขาพอออกไปในอุปจารสมาธิก็เหมือนกับเหมือนกับออกออกจากสมาธิมานั่นเองแต่เป็นแต่ยังอยู่ในสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกับเวลาที่เราเลิกนั่งสมาธิอุเบกขาที่มีอยู่มันก็จะค่อยๆหายไป ชั้นใดเวลาที่เราเข้าไปในอัปปนาสมาธิแล้วเราไม่นั่งเราไม่นิ่งอยู่ในอปปนาอปปนาสมาธิแล้วออกไปท า, ทางอุปจารสมาธิเพื่อไปไปสัมผสัสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ไปเนี่ยไปเห็นสวรรค์ก็ต้องใช้สมาธิแบบนี้ไปเห็นนรกเห็ น, นเห็ น, นาบายก็ต้องใช้สมาธิแบบนี้ถึงจะเห็นได้ก็เหมือนกับการไปท่องเที่ยวในในโลกทิพย์นั่นเอง แล้วก็จะมีอภิญญามีมีอิทธิฤทธิต์ต่างๆขึ้นมาได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์สนทนากับกายทิพย์ได้เช่นพระพุทธเจ้าเวลาสแสดงธรรมโปรดพวกเทวดาพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้สมาธิแบบนี้นั่งสมาธิจิตรวมสงบแล้วก็ดึงจิตออกจากอปนาสมาธิให้เข้าสู่อุ ป, ปจารสมาธิแล้วก็ไปไปติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่างๆได้ ไปแสดงทําให้กับพวกเทพเทวดาที่มารอฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมได้ mm hmm. หรือบางท่านก็มีความสามารถนอกจากติดต่อกายทิพย์ได้แล้วยังมีสามารถระลึกชาติได้ระลึกถึงชาติที่แล้วว่าเป็นอะไรชาติก่อนๆเป็นอะไรสามารถย้อนย้อนไปได้เรื่อยๆเหมือน mm hmm. กับเป็นความจำย้อนทบทวนความจำของภพของแต่ละภพแต่ละชาติว่าได้เกิดมาเป็นอะไรบ้าง อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกถึงพระเวทเคยเป็นพระเวชสจษฎอดมาก่อนเคยเป็นพระมหารายกมาก่อนเป็นพระอะไรต่างๆมาก่อนเป็นพระเจ้าสิบชาตินี้ก็อาศัยจากการระลึกชาติจากพลังของอุปจารสมาธินี้แต่อุปจารสมาธินี้ไม่มีอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิานี้จะเหมือนไม่มีกําลังนิ่งเฉยไม่มีอุเบกขา เวลากิเลสโผลขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้สู้มันไม่ได้ฉะนั้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกำจัดความทุกข์กำจัดต้นเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็ไม่ควรที่จะออกไปทางอุปจารสมาธิถ้ามีวาสนาถ้ามีความสามารถซึ่ง ม, มีไม่มากคนที่สามารถจะไปทางอุปจารสมาธิได้เท่าที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่า ร้อยหนึ่งก็จะมีสัก5คนที่มีจะมีความสามารถที่จะไปทางอุปจารสมาธิได้ส่วนใหญ่แล้วจิตก็จะนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาอยู่เฉยๆเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นท่านที่ไม่ได้ไม่ได้มีอุปจารสมาธิก็จะได้สบายใจไม่ต้องกังวลแต่ท่านที่มีอุปจารสมาธิต้องต้องระวังนะอย่าปล่อยให้ใจออกไปทางนั้นถ้ายังไม่หลุดไม่ได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่อย่าไปทางนั้นเพราะทางนั้นจะไม่มีกำลังที่จะมาช่วยสนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาชี้บอกว่านี่คือความอยากนี่คือตัวที่สร้างความทุกข์ก็จะหยุดมันไม่ได้ต้องต้องใช้ให้อยู่ในอัปปนาสมาธิแทนถึงจะมีอุเบกขาเพราะปัญญาชี้บอกว่านี่คือตัณหาต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจ ต้องหยุดมันให้ได้ก็จะหยุดได้ทันทีอุปบาญะสมาธิจึงไม่ไม่ใช่ถือว่าเป็นสัมมาสมาธิจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เป็นสมาธิที่ไม่ถูกตอนหลักของมรรคแมรรคแดสมาสมาธิคือจิตต้องนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้รู้เบิขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่ถ้าเป็นสมาธิที่สามารถระลึกชาติได้ พบปะกับเทวดาได้ท่องเที่ยวในสวรรค์ในนรกได้ทะลกชาติได้สมาธิแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นสิ่งที่วิเศษเหนือกว่าคนอื่นมีตาที่ผูทิพแต่มันไม่มันไม่มีความสามารถที่จะมาใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ดีไม่ดีกับกายจะกายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปของความตัณหาความโลภความอยากไป คนที่ได้อันนี้ก็เลยออกอาจจะออกมาอวดว่าฉันมีตาทิพหูทิพแล้วก็ใช้ความสามารถนี้เป็นเครื่องรรมือทำมาหากินแทนก็ได้อาจจะมีเงินใช้เินอยู่อย่างสุขอย่างสบายเป็นหมอดูเป็นอะไรไปแต่ตัวเองก็ยังต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะไม่สามารถใช้สมาธิแบบนี้ไปทําลายตัวที่มาสร้างภพสร้างชาติคือตัณหาความอยากได้ เพราะฉะนั้นอย่าไปทา ง, ทางนี้ถ้าเรามีนิสยัยขอจิตสงบจิตรวมแล้วจะไปรับรู้เรื่องต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์นี้อย่าไปดึงใจให้กลับมาให้อยู่นิ่งๆเฉยๆในอัปปนาสมาธิให้สักแต่ว่ารู้ให้มีโอเบขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจนกระจิตจะถอนออกมาถอนออกมาแล้วถ้าชำนาญทางด้านสมาธิแล้วมีสติอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขณะที่นั่งสมาธิหรือไม่ได้นั่งสมาธิตอนนั้นก็เริ่มมาทำข้อสอบคือมาพิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาร่างกายเพื่อปล่อยวางร่างกายให้ได้ตอนนี้เรายังยึดติดกับร่างกายอยู่หรือเปล่าเรายังทุกขกับร่างกายอยู่หรือเปล่าเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจเราทุกหรือเปล่าเวลาที่เราไปเจอความตายขึ้นมานิ้ใจเรายังทุกอยู่หรือเปล่าเรายังกลัวความตายหรือเปล่า กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าถ้ายังกลัวอยู่ก็ต้องมาทำข้อสอบนี้ให้ได้ต้องทาให้ใจถอนใจไม่ให้กลัวถอนใจให้ให้เผชิญกับมันเพราะใจไม่ได้เป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายผู้ที่เจ็บผู้ที่ตายนี้ก็คือร่างกายร่างกายมันก็ไม่เคยกลัวความเจ็บร่างกายมันก็ไม่กลัวความตายเพราะร่างกายมันไม่มีความรู้สึกรับรู้อะไรมันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่รู้ว่ามันตายแล้วใจที่ไม่เจ็บไม่ได้ตาย ทำไมไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับความเจ็บความตายของร่างกายนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพียงแต่ผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขตามความอยากของกิเลสตัณหาเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าการทหาความสุขตามความอยากของกิเลสตัณหานี้เป็นเหตุที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะมาตัดความอยากเหล่านี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากลับมาเกิดอดกต่อไปไม่ต้องมีมีร่างกายอันใหม่ต่อไปส่วนร่างกายที่มีอยู่ก็ต้องรู้ว่ามันผู้ที่มันจะแก่มันจะเจ็บมันไม่เดือดร้อนแล้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครห้ามได้ใจก็ห้ามไม่ได้ใครก็ห้ามไม่ได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถสอนใจให้ปล่อยวางได้อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์จนเห็นว่าสาเหตุของความทุกข์ใจเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็คือความอยากของใจนี่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะตัญหาความอยากนี้เป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าต้องการดับความทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความอยากอันนี้อย่าไปอยากให้ มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากมันก็แก่อยู่ดีอยากให้มันไม่แก่มันก็แก่อยู่ดีอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีอยากให้มันไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแต่สิ่งที่ได้จากความอยากก็คือความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามองด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครยับยั้งมันได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นเพราะวปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนต้นไม้ใบหญ้าของพวกนี้มันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปตามธรรมดาถ้าเราไม่ไปยึดไปติด<ม>ไปมีความอยากกับมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่พอเรามีความยึดติดมีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นทันที<ม>เราพิจารณาไปหลายๆรอบแล้วเราก็จะเห็นว่าสรุปก็คือตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากของเราเองอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากนี้วิธีหยุดความอยากก็คือยอมนั่นเองปล่อยวางยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยยอมให้มันตายเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ได้ถ้ายัางรักษาได้ก็รักษาไปยังป้องกันได้ก็ป้องกันไปแต่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องทําอะไรไม่ได้เพราะนี่คือความเป็นจริงของร่างกายมันจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราถึงจุดที่เราทําอะไรกับร่างกายไม่ได้เราก็ต้องเฉย ใช้อุเบกขาวางเฉยมันจะตายก็ตายมันจะเจ็บก็เจ็บไปรักษาได้รักษาไม่ได้มันจะเจ็บก็อยู่กับมันไปจนกว่ามันจะอยู่ไม่ได้ตายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกายได้อย่างใด อ, อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องใช้ปัญญามาพิจารณาและต้องพิจารณาในสภาพของความเป็นจริงคือต้องไปเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ ตอนนี้เราคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังไม่ใช่เป็นของจริงมันเป็นเพียงแต่เรื่องของความคิดเราเนัตอนนี้เราคิดได้แต่เราเรากาจจะคิดว่าไม่เห็นหน่ากลัวเราตรงไหนความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเพราะเรายังไม่ได้เจอของจริงเราต้องรอเวลาที่เราไปเจอของจริงเช่นเกิดไปเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาหมอบอกว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไม่ได้แล้นะตอนนั้นน่ะจะรู้ว่าใจเราสอบตกหรือสอบผ่าน ถ้าใจเราทุกข์ก็แสดงว่าสอบตกถ้าเราไม่ทุกข์ใจเราเฉยๆบางเฉยด้วยอุเบกขาได้ไม่เดือดร้อนเห็นได้ด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะยับยัง้งมันไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มันตายได้ก็ต้องยอมยอมรับความจริงพองยอมรับความจริงก็จะหยุดความอยากไม่ไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ พอหยุดหยุดความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็จะหายไปเลยมันต้องไปเจอเหตุการณ์ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าทุกนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาแบบไหนแล้วเราใช้ปัญญาวิเคราะห์จนค้นพบสาเหตุอยากเพรา ะ, ะเพราะความอยากแบบนี้แต่เราไม่สามารถที่จะไปใช้ความอยากนี้เปลี่ยนแปลงความจริงได้ความจริงก็ต้องเป็นไปตามความจริง มันจะแก่ก็ต้องแก่มันจะเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะตายก็ต้องตายความอยากไม่สามารถมาเปลี่ยนความจริงเหล่านี้นได้เพียงแต่ตมาสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจได้ทั้งเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดความอยากนี้พอหยุดความอยากนี้ได้ยอมยอมเจ็บยอมตายได้ปั๊บความทุกข์ทรมานใจนี้จะหายไปเลยแต่โรคภัยไข้เจ็บก็ยังไม่หายโรค <Course S 2> มาเลยก็ยังอยู่ความตายก็ยังรออยู่แต่ใจไม่ได้เดือดร้อนกับความเจ็บความตายแล้ว เพราะตัวที่ทังสร้างความเดือดร้อนใจคือความอย่างนี้มันหายไปแล้วมันได้ถูกกาจัดแล้วด้วยปัญญาอันนี้แหละคือเวลาที่เราจะต้องใช้ปัญญาปัญญาที่แท้จริงต้อเป็นปัญญาที่ใช้ในการดับความทุกข์ความทุกข์จริงตอนนี้เราไม่มีความทุกข์เราใช้ปัญญามันก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรแปลกหรือไม่แปลก <Yeah. S 2> เพราะความทุกข์ตอนนี้มันไม่มีต้องเราให้มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นก่อน เช่นเราทุกข์ใจกับสุขภาพร่างกายของเราโรคภัยไข้เจ็บของเราถ้าเราสอนใจด้วยปัญญาว่ามันเป็นธรรมดาของร่างกายแล้วเราก็ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายก็ไม่ได้เป็นเราร่ <โ frustrating. S 1> างกายเจ็บแต่เราไม่ได้เจ็บแล้วเราไปทุกข์กับร่างกายทำไมทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันไม่เจ็บนั่นเออยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันหาย <ừ> แต่มันไม่มันไม่หายจะทำยังไง มันก็ถ้าอยากมันให้มันไม่เจ็บมันก็จะทุกทรมารไปเรื่อยๆแต่พอยอมยอมรับความจริงว่ามันจะเจ็บก็ต้องยอมรับมันอยู่กับมันไปความทุกข์ใจก็จะหายไปทันทีอันนี้แหละเรียกว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่ดับความทุกข์ได้อย่างที่มีคําพูดว่าทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจริงๆเป็นความทุกข์จริงๆไม่ใช่ความทุกข์ที่เรานึกคิดขึ้นมา ความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีพอเราทุกข์ปั๊บเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำนมฝอยมันทํามาจากดินน้ำนมฝอยแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำนมฝอยห้ามมันไม่ได้พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของที่จะต้องเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วต้องดับไป ถ้ามันไม่ได้ก็ยอมรับความจริงพอยอมรับความจริงได้ความอยากที่จะให้มันไม่ตายก็หายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันของจากคนนั้นจากคนนี้คนนั้นตายไปเราก็จะเฉยๆร่างกายเราตายไปเราก็จะเฉยๆเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรไม่ได้แล้วร่างกายมันก็ไม่เดือดร้อนมันไม่เศร้าโศกเสียใจเราต่างหากที่ไปเศร้าโศกเสียใจเพราะความหลงเพราะความอยากของเราเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่หลงไม่อยากไม่หลงคิดว่าร่างกายเป็นที่ขึ้นของเราที่จะให้ความสุขกับเราเราอย่าไปยึดติดกับร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเวลามันจะเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ตอนนี้เราหลงเราคิดว่าการจะมีความสุขได้เราต้องมีร่างกายแต่การมีร่างกายนี้กับการแา่นี้จะมีความสุขกับมีความทุกข์เพิ่มมาขึ้นมาอีกอ ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ <K _> ก็อย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาวความสุข <K _> ถ้าไม่ใช้ร่างกายแล้วมันจะเป็นจะตายเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อน <K _> อันนี้เป็นขั้นของปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้าเรายังไม่ได้สมาธิไม่ได้อุเบกขาไม่ชํานาญในในในเรื่องของสมาธิในเรื่องของอุเบกขาเวลามาใช้ปัญญาเวลาเจอข้อสอบเจอความทุกข์ใจมันจะดับความทุกข์ใจไม่ได้ เพราะมันไม่มีกําลังของอุเบกขาที่จะมาสยบความเคลื่อนไหวของความอยากของกิเลสตัณหานั่นเองดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเราต้องรู้ขั้นตอนของเราว่าเราอยู่ในขั้นไหนถ้ า, าอยู่ขั้นเจริญสติดั้งสมาธิก็พยายามเจริญสตินั่งสมาธิไปก่อนยังไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องปัญญาทําไปจังกว่าเราจะมีความชํานาญมีสติอย่างต่อเ น, นื่อง ลืมเ ต, ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาปั๊บสติก็เริ่มทำงานทันทีโดยที่ไม่ต้องไปสั่งมันตอนนี้เรายังต้องสั่งมันอยู่บางทีไม่ได้บางทีลืมไปเสียด้วยซ้ำไปว่าเราต้องพุโทโธพุโทโธพอตื่นมาก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทันทีถ้าอย่างนี้ยังอยู่ไกลมากนะอยู่ไกลจากการปฏิบัติทางขั้นปัญญาขั้นแรกต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดให้ได้ตลอดเวลาก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการ ถ้าอยู่ได้นานอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายใจเอามาก็มีอุเบกขามีความสงบติดตัวมามีสติคอยรักษาไว้ถ้าเรามีอย่างนี้้วเราถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไปหรือบางครั้งอาจจะจอไฟบังคับก็ได้เช่นอยู่ดีๆก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาหมอบอกเป็นมะเร็งเกิดความทุกข์ใจทีนี้ตอนนี้แหละต้องใช้ปัญญาแล้วแหละถ้าไม่ใช้ปัญญาก็ต้องใช้สมาธิแทน ถ้าใช้สมาธิก็ละดับระงับความทุกข์ได้ชั่วคราวเวลาเราทุกข์ใจไม่สบายใจกับโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็เข้าสมาธิไปความทุกข์ใจก็จะหายไปชั่วคราวแต่พออกจากสมาธิมามันพอมันเจอโครคภัยไข้เจ็บมันก็จะทุกข์อีกถ้าอยากจะไม่ให้ทุกข์กับความโาครคภัยไข้เจ็บก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าโาครคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วก็ ที่ทุกข์ใจก็เพราะว่ามีความอยากไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ยอมให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ใจก็จะหายทุกข์ทันทีแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปอย่างไม่เดือดร้อนได้อันนี้ก็คือขั้นของปัญญาบางทีก็เป็นขั้นที่จะเจอไฟบังคับก็คือเจอเจอทุกข์เกิดขึ้นพอเจอทุกข์เกิดขึ้นบางทีก็ต้องใช้ปัญญามาวิเคราะห์ให้เห็นว่า ความอยากตัวไหนที่ทําให้ใจเราทุกข์ถ้ายัางวิเคราะห์ด้วยปัญญาไม่ได้ก็อาศัยการเข้าสมาธิเป็นการดับพักเอาหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวก่อน mm hmm. แต่จะหยุดได้แค่ขณะที่อยู่ในสมาธิพออย า, ากสมาธิมาเดี๋ยวก็เกิดความทุกข์กลับขึ้นมาใหม่เองถ้าอยากจะให้ความทุกข์หายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาตเราพิจารณาสิ่งที่เราทุกข์ว่าเป็นตายรักอันนี้จังทุกขังนันตา mm hmm. แล้วเกิดจากกัรหาความอยาก ท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่ามันเป็นตันหาความอยากเราก็หยุดความอยากนั้นเพราะเราปลี่ยนอนนี้จังทุกขังหน้าตาไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจไม่ให้ทุกข์กับมันได้ด้วยการหยุดความอยากของเรานี่ก็คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติดับความทุกข์ต่างๆและวิธีที่ฝึกสตินั่งสมาธิไปพังพานก่อน ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้ า, ทาวเารวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตจินงังเปตานาังอุ ป, ปกัะปติอิชิตังปัติตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาน จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาลโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนัีสิลิซาณิจจางุตฏาปะจายโน จตารโธรรมวทานติอายุวะโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญให้ถามในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกนั้นอยากจะถามอะไรตอนที่เรายัง คุยกันอยู่ตอนนี้สามารถถามได้แต่อพอเลิกเราต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันไม่สะดวกจริงๆถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้อมกล่นำนมัสศการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 101พร้ YouTube ปพระอาจารย์สุชาติ422 YouTube Dr. V 50ด With you online, house, ang, ti, un, วิทยุออนไลน์21ครับฮาส์5ผู้รับฟังหน้ากุติ160รวม759ท่านเจ้าค่ะเอฟเฟตู๊กเหลือแค่ร้อยเดียวนะวันนี้วันนี้มีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณเสียงนิดหน่อยเจ้าค่ะธรรมดามันต้องสามร้อยขึ้นไปมีคำถามก็ถามได้เลย ช่วยรบกวนหลวงพ่ออธิบายเรื่องทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นได้ไหมเจ้าคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีมีอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะมันจะเป็นของไม่เที่ยงงานมีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไปไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนเป็นอะไรสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตดินฟ้าอากาศเศรษฐกิจการบ้านการเมืองไม่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหยาบ เพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีเกิดมีดับวันนี้คนนี้เป็นนายกพรุ่งนี้คนนั้นเป็นนายกเราจะไปสั่งมันไม่ได้มันจะเอานายกคนนั้นคนนี้ไม่ได้ผลจะตกแดดจะออกเราก็สั่งไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปติดปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วเราจะไม่ได้เราจะได้ไม่ทุกข์กับมันคนที่มีความทุกข์ทางโลกมากๆจนหาทางออกไม่ได้แล้วค่าตัวตาย ถ้าเขาตายไปเขาจะลงนรกทันทีเลยไหมครับไม่รู้นะเราไม่ได้เป็นผู้คอยไปดูว่าใครจะนรกเมื่อไรแต่ไปแ น, น้าการฆ่าคนฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเป็นบาปหนักต้องไปสูนน่นรกก็อยู่ที่ว่าฆ่าด้วยสาเหตุดันใดด้วยถ้าฆ่าเพราะความโกรธความเกลียดเนี่ยเขาไปนรกฆ่าด้วยความอาฆาตพยาบาทแต่ฆ่าด้วยความจําเป็นต้องทําาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างนี้ ข้างนี้ก็ไปเป็นสัตว์ในละชานแทนบุญกระถินถือว่าเป็นทานใช่ไหมครับแล้วแบบนี้จะได้บุญหรืออนิสง์เท่ากับทานชนิดอื่นไหมครับเหมือนการเป็นทานอย่างหนึง่งถวายผ้าผ้าป่าผ้ากระถินนี่ก็เป็นการถวายผ้าก็เป็นทานอย่างหนึง่งแล้วก็บุญมากบุญน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นบุญเป็นผ้าป่าหรือเป็นผ้ากถินอยู่ที่ว่าทามากทาน้อย จ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายมากก็ได้บุญมากจ่ายน้อยก็ได้บุญน้อยจิตไม่เศร้าโศกในคําสอนทําให้จิตไม่เศร้าโศกถ้าจิตเศร้าโศกถือว่ายังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราจะทําเช่นไรให้จิตไม่เศร้าโศกเจ้าคะก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วเราก็จะสามารถทําจิตใจให้ว่างให้เย็นให้สบาย ไม่เร้าโศกับอะไรต่างๆได้การปล่อยปลาปล่อยสัตว์จะทําให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวเป็นความจริงไหมเจ้าคะถ้าเป็นความจริงก็ไม่ต้องมีโรงพยาบาลให้เสียเวลาถ้าใครไม่สบายก็ไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์กันถ้าเราตายแล้วดวงจิตเราจะไปอยู่ที่ไหนและควรตั้งจิตอย่างไรก่อนตายเจ้าคะหมืนก็มีถ้าบัณบุญก็ไปสวรรค์ เป็นบาปก็ไปนรกไปอาบายจะตั้งจิตตอนตายไม่ได้ต้องตั้งแต่ตอนอยังตอนนี้ตอนที่ยังไม่ตายสร้างบุญเยอะๆทําบุญเยอะๆปฏิบัติธรรมจิตก็จะไปสวรรค์ไปสู่นิพพานถ้าทําบาปทํากรรมก็จะไปอบายไปนรกเคยได้ยินว่าการทําทานมีหลายชนิดแล้วชนิดไหนได้บุญมากน้อยต่างกันอย่างไรชนิดไหนได้บุญมากที่สุดครับ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งห่วง<ม>การให้ธรรมะนี่เป็นมีประโยชน์มากที่สุดแต่คนให้นี้ก็จะถ้าพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็เหมือนกับเหมือนกับซื้อผ้าถวายพระมันก็เหมือนกันแต่ประโยชน์ของผู้รับนี่ต่างกันผู้รับผ้าไปก็จะมีผ้าไว้ห่มห่อร่างกายผู้รับธรรมะไปก็สามารถเอาธรรมะมาดับความทุกข์ใจได้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการให้ธรรมะนี่มันเป็นประโยชน์ที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ผ้าให้อะไรแต่บุญที่เกิดจากการให้นี้เหมือนกันถ้าถ้าบริจาคเงินเท่ากันเช่นบริจาคเงินซื้อหนังสือธรรมะแจกพันบาทแล้วก็ไปซื้อผ้าตายหนึ่งพันบาทคนที่ให้นี้ได้บุญเท่ากันแบบเดียวกันแต่ประโยชน์ต่างกัน คนที่รับธรรมะไปอาจจะไม่ต้องฆ่าตัวตายกำลังเศร้าโศกเสียใจพอได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะและหูตาสว่างขึ้นผู้ที่จะต้องฆ่าไม่ใช่ร่างกายต้องฆ่ากิเลสฆ่าความอยากต่างๆพอฆ่าความอยากต่างๆได้ก็บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้มีข่าวพระไปลงทุนธุรกิจถือว่าขาดจากการเป็นพระสงฆ์หรือไม่ครับ ไม่ขาดแล้เพียงดาขาดจากการเป็นผู้ที่มาไม่ทําหน้าที่ของผู้บวชปฏิบัติ ผ, ผู้บวชนี้ท่านม้เป้าหมายในการกําจัดความทุกข์ต่างๆด้วยการปฏิบัติท่าินสินสมาธิ ป, ปัญญาถ้าท่านไม่ทําหน้าที่นี้ก็ถือว่าท่านบกพร่องในหน้าที่นี้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นการขาดจากความเป็นพระการจะขาดจากความเป็นพระได้ต้องหนึ่งต้องไปเสดเมถุน เลยต้องไปเสพมีร่วมเพศกับใครกับผู้ใดผู้หนึ่งหรือไปฆ่ามนุษย์หรือไปลักท ร, รัพย์หรือไปอวดอุตรเละมนุษย์ความสามารถพิเศษที่ไม่มีในตนเช่นว่าได้ฌานได้สมาธิได้มรรคได้ผลโดยที่ไม่มีในตัวเองอันนี้ถือว่าขาดจากความเป็นพระนั่งสมาธิพุทโธหายลมหายใจหาย ตายหายเห็นเป็นดวงแก้วใสกลางลําตัวเพราะวางสติไม่ถูกจิตจึงถอนออกตลอดแบบนี้ต้องวางสติอย่างไรครับวางสติให้รู้เฉยเฉยอย่าไปสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้กลับมาที่พุโทโธพอรู้ว่าพุโทโธหายก็กลับมาหาที่พุโทโธต่อถ้าจิตยังไม่รวมอย่าหยุดพุดโทโธถ้าใช้พุโทโธถ้าจิตรวมแนละ้วทุกอย่างหายหมดโดยแต่ความว่างตอนนั้นพุโทโธก็ไม่ต้องใช้นะ แต่ถ้ายังมีอะไรโผล่ขึ้นมาอยู่แสดงว่ายังไม่รวมยังไม่สงบก็ต้องพุโทโธต่อไปปกติแล้วในการหัดเจริญปัญญาที่หนูใช้บ่อยๆคือเอาความทุกข์เป็นตัวจับไตรรักษณ์เพราะการจับและพิจารณาบ่อยๆและเมื่อเอามาจับหลายๆวันติดกันมันทำให้หัวหนูหนักและตึงมากซึ่งเข้าใจได้ว่ามีอุเบกขาไม่มากพอ หนูใช้วิธีเข้ามาฟังธรรมะพระอาจารย์และสลับกับการฝึกสตินั่งสมาธิเจ้าค่ะขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยก็ตอนนี้ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆให้ใจวางเฉยให้ได้ก่อนถ้าใจวางเฉยไม่ได้ไปพิจารณาความทุกข์ใจก็จะเครียดขึ้นมาได้อั ะ, ะนั้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอุเบกขามากๆกก่อนแล้วค่อยไปพิจารณาทางปัญญาต่อไป คนไทยไปถูกหวยลอตเตอรี่ยู ย, ยที่ยุโรปหมื่นล้านบาทเขามีบุญจากอดีตใช่ไหมครับมือนเรื่องของมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันอาจจะเป็นบุญก็ได้อาจจะเป็นโชคดีก็ได้มไม่มีใครรู้ถ้าไม่มียานอย่างทราบอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันจะรู้ว่าเกิดจากอะไรนะถ้ามีปัญญาเห็นผู้รู้นึกผู้คิด และผู้ถูกรู้ไม่ใช่เราต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเพื่อความก้าวหน้าครับก็ปล่อยวางทั้งอย่างให้รู้เฉยๆอย่าไปยึดอย่าไปติดกับอะไรทั้งสิ้นตอนนี้หนูอยู่ม .1 ห, หนูใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนมากๆจนบางครั้งหนูก็รู้สึกเสียใจหนูอยากเลิกความรู้สึกส่วนนี้หนูต้องทำอย่างไรเจ้าคะ หนูต้องแยกว่าหนูกับเขาเพื่อนเป็นคนละคนกันมีความเป็นมาไม่เหมือนกันมีบุญมีบาสมาไม่เหมือนกัน<ม>ถ้าเขามีบาปติดตัวมามากเขาก็มีทุกมากถ้าเขามีบาปน้อยเขาก็จะทุกน้อยซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปช่วยอะไรเขาได้<ม>ถ้าเราอยากจะไปช่วยเขา<ม>เราช่วยไม่ได้เราจะทําให้เราทุกใจเสียใจถ้าอย่างไหนเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไป อย่างไนที่เราช่วยเขาไม่ได้เราก็ต้องหยุดต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรมไปการสวดมนต์และการอ่านหนังสือบทสวดจะได้อ น, นิสงส์งต่างกันไหมเจ้าคะก็ไ ด, ด้ก็เหมือนกันคือได้สติเป็นหลักถ้ามีความแปรถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาความรู้เพราะบทสวดมนต์นี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ยังไม่มีคำตอบ เดีว <Yeah. S 2> ใครอยากจะถามที่นี่ก็เชิญเข้ามาถามได้นะถ้าอยากจะถามอะไรถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งดูว่ามีคำถามอะไรจะเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้ก็พุโทโธไปดูรวมไปก็ได hmm. ้เดี๋ยวรอสักสองสามนาทีถ้าไม่มาก็ไม่มีอะไรเข้ามาก็จะได้เลิกกัน การทำสมาธินี่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขานี่จะ ก, ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องปัญญา ม, มีปัญญาแล้วไปพิจารณาปัญญาดีไม่ดีก็ทำให้เครียดทำให้ทุกข์ขึ้นมาคิดถึงความตายแล้วแทนที่จะสบายใจกับทุกข์ใจขึ้นมากลัวความตายขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่ายังจิตไม่มีสมาธิพอไม่มีอุเบกขาพอ เห็นถ้าเราพิจารณาทางปัญญาแล้วจิตใจเราไม่สงบจิตใจเราวุ่นวายแสดงว่าเราไม่มีสมาธิต้องมาฝึกสมาธิให้มากมาก่อนเพื่อให้เราปล่อยวางเพื่อเราให้เราไม่ทุกข์กับอะไรมีคําถามหรือเปล่าไม่มีน ะ, ม, ม, ะมีอะไรหรือเปล่าฮะเข้ามาดิมาเอาไมโครโฟนไปพูดไปนี่นี่เดี๋ยวแมวเอาไมโครโฟนคุณมาได้ไอีทางนู้นอ่า เขาพูดไมนเขาโพลเงี้ยควรจะมาอะไรสองต่อสองกันเราได้ไงพูดใกล้ใกล้ปากดังๆ อ, อยากจะถามว่าตอนนั่งธรามาทีครับแล้วแบบเห็นดวงจิตเนี่ยแบบว่าไม่ไม่มีร่างอุป ป, ปฏติกาออกมาไงครับอย่าไปดูพวกนั้นให้ดูลมพุทโทไปของเราเนั่นเป็นของอร์มของหลอกเรา มันจะทำให้ใจเราฟุ้งไม่ให้ใจเราสงบต้องให้อยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวใจสงบเราจะว่างทุกอย่างจะหายไปหมดนั่นแหะของจริงของแท้คือความว่างความว่างนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจตอุปาติกะหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็หลอกให้เราเป็นบ้าได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจนั่งสมาธิต้องมีสติ แล้นั่งสติไม่ให้นั่งสมาธินั่งสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นสมาธินะฮะเวลานั่งต้องมีสติกํากับใจจะเป็นพุโทโธก็ได้จะเป็นลมหายใจเข้าออกก็ได้นะโอเคหมดแล้วนะหมดแล้วใช่คําถามโอเค ถ้าเราทำทานรักษาศีลอาจจะด่างพร้อยไปบ้างนั่งสมาธิจริงจังไม่ได้แต่พยายามรู้สึกตัวและฟังเทศเป็นหลักมีโอกาสจะเข้าใจธรรมและปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกถูกต้องจนไปถึงมักผลนิพพานได้ไหมเจ้าคะได้ถ้าฟังธรรมก็ทำให้จิตสงบมีสมาธิได้และสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ โยมติดเรื่องการราคาเจ้าค่ะต้องทำอย่างไรให้ตันหาหายไปเจ้าค่ะต้องหมนพิจารณาอสุภะสรากศพสิบชนิดด้วยกันคนตายแล้วเวลาไม่แล้วใบเผาใปฝังปล่อยให้มันมันก็จะขึ้นอืดร่างกายมันก็จะเขียวช้ำแล้วก็จะมีสัสตว์มดมาลางอะไรมากัดมาแท้อะไรต่างๆโดยในที่สุดก็เหลือแต่โคงกระดูกนี่คือพิจารณาว่าร่างกายของคนทุกคนไม่สวยงาม ตอนนี้ที่ยังพอดูได้ก็เพราะว่ายังมีลมหายใจอยู่พอไม่มีลมหายใจแล้วมันไม่มีใครอยากจะเก็บไว้โดยจะพิจารณาอาการสามสิบสองก็ได้ดูอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกกระดูกอ่าโครงกระดูกหัวใจม้ามตับไ ต, บตลำไส้อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเห็นอา ก, การเหล่านี้แล้วความการมราคัดก็จะดับไป ทำอย่างไรให้ใจสงบเวลาที่ต้องปฏิปบัติคุณแม่เจ้าคะก็ต้องอย่าไปถือว่าเราเป็ น, เ ป, นเป็นเจ้านายของแม่เราเรามาเป็นคนรับใช้เป็นลูกจ้างต้องรอคำสั่งของแม่แม่จะทำอะไรสั่งเราเราต้องทำตามถ้าเราไปสั่งอยากจะสั่งแม่ให้ทำอย่างนู้นางนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงดูแม่เราต้องเลี้ยงดูแบบเราเป็นคนรับใช้ท่าน คอยรับคําสั่งอยากท่านท่านต้องการจะกินอะไระถ้าไม่เป็นผิดเป็นภายไม่ผิดศีลผิดธรรมก็ให้ท่านกินไปถึงแม่หมอจะห้ามก็เรื่องเรื่องของหมอไปเรื่องของแม่ก็เรื่องของแม่แม่ก็อยากจะกินให้เขาอยู่ยังมีความสุขก่อนที่เขาจะตายดีกว่าดีกว่าให้เขาอยู่อย่างไม่มีความสุขเพราะไม่ได้กินไม่ได้ทําะไรตามใจอยากถ้าความสิ่งสิ่งที่เขาอยากจะทําอยากกินนี่มันไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทำไว้ให้ท่านทําไปจะดีกว่า ปล่รับใช้ท่านแล้วเราจะไม่มีเราจะไม่มีความวุ่นวายใจที่เราวุ่นวายใจเพราะเราชอบไปเถียงกับท่านอยากให้ท่านทําอย่างหนึ่งท่านไม่อยากจะทําอีกอย่างหนึ่งก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาการถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยนกถือว่าเป็นการทําทานใหม่เจ้าคะก็เป็นการให้ชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติข้าวข้าวเงินทองพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบ ความสำคัญของสิ่งต่างๆนะถ้าว่าสิ่งที่มีความสำคัญน้อยที่สุดก็คือเงินทองที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองก็คืออวัยวะหรือสุขภาพของร่างกายแล้วก็ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสุขภาพอวัยวะก็คือชีวิตและสิ่งที่เหนือที่มีคุณค่าเหนือกว่าชีวิตก็คือจิตใจดังนั้นการให้เงินให้ทองเพื่อรักษาชีวิตของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการทาบุญทาทานที่ดี คำว่าโมทนาบุญกับอนุโมทนาบุญมีความต่างกันอย่างไรเจ้าคะอันเดียวกันพูดสัน้นพูดยาวพูดสั้นก็โมทนาพูดยาวก็อนุโมทนาโยมโอนเงินไปทําบุญจะได้อ น, นิสง์เหมือนเราไปถวายเองหรือไม่เจ้าคะได้เหมือนกันได้เหมือนกันตวจแล้วล่วววโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมคําถา ม, มครั้งสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่มีเดี๋ยวพอเลิกกันแล้วอยากค า, าถามนะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถธด